คือสมถะวิปัสนาสมธะคือการคือทำความสงบวิปัสนาคือรูแจ้งพูดโดยส่วนมากพูดแต่เรื่องสมถะคือพื้นฐานมันไม่ทันมีเลยไม่เคยต้องไม่คยไม่เคยพูดถึงเรื่องวิปัสนา วันนี้จะพูดถึงเรื่องวิปัสนาวิปัสนาคืออาวุธสำหรับประหัตประหารฆ่าศัตรูเมื่อไม่มีสมถะวิปัสนาก็ไม่เกิดแท้ที่จริงนั้นวิปัสนาคือเห็นสภาพตามเป็นจริง ทุกสิ่งทุกอย่างเห็นตามเป็นจริงเรียกว่าวิปัสนาความเป็นจริงมันก็เป็นจริงอยู่แล้วหละแต่หากไม่เห็นตามเป็นจริงเพราะไม่มีพื้นฐานคือกรรมานไม่เกิดวิปัสนานั้นมีอาวุธหยุดสามพฤตการสสำหรับทหาร ข้าศึกคือกองกิเลสเรารู้แล้วเราดูเราเห็นเราได้ยินได้ฟังหรือสิ่งต่างๆทั้งหลายหมดที่มันส่งสายออกไปตามอารมณ์เรียกว่าอารมณ์ของจิตต้องใช้อาวุธสามอย่าง คืออนิจจังทุกขังอนัตตาสามอย่างนี้แหละเป็นเครื่องฟาดฝันประหัตประหารสิ่งทั้งหลายแน่นกว่าจะหายไปด้วยจะงับไปทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นอยู่แล้วอนิจจังเป็นอยู่แล้ว ทุกครั้งอัตตาก็เป็นอยู่ตัวของเรานี่แหละไม่ต้องเอาอื่นไกลท่านพูดเรื่องกรรมาฐามไม่ต้องพูดอื่นไกลพูดเฉพาะในตัวของเราทั้งนั้นพูดไปไหนไปไหนก็ไม่หนีจากตัวของเราอย่างตัวของเรา แค่ที่จริงมันเป็นอนิจจังอยู่ในตัวแต่เกิดมามันก็แก่มาลำดับมันที่มันเปลี่ยนแปลงสภาพไปเรียกว่าอนิจจังคล้องก็ไเ่เที่ยงหมันท้าบอตลอดกาลแปรสภาพไปชุดโศมไปลาดับไปโดยลาดับ นั่นเรเรียกว่าอันนี้จังทุกขังก็เพราะของไม่เที่ยงนั่นแหละการเจ็บการปวดการไม่ยูดดีสบายเป็นไข้เป็นหนาวเจ็บหัวปวดท้องรืยองอการต่างๆก็เพราะอันไม่เที่ยงนั่นเองมันยังค่อยเป็นอย่างนั้น ยังแรปรปวนอยู่เสมอนั่นเรียกว่าทุกขังทุกขังแปลว่าทนได้ยาก ต, ต้องทนทุกทรมานอยู่ด้ดยประการต่างๆนั่นเรียกว่าทุกขังนะนัตตาของไม่ใช่ของเรามันหากเป็นอยู่อย่างนั้นแต่ไหนแต่ใดมา แต่เราไม่เกิดก็เป็นอยู่อย่างนั้นเราเกิดมาได้รูปมานี้แล้วก็เป็นอยู่อย่างนั้นเราตายไปแล้วก็เป็นอยู่อย่างนั้นสภาพของโลกมันเป็นอยู่อย่างนั้นถ้ามีโลกก็เป็นอนัตตาที่เราถืออัตตาคือเราไปถือตนถือตัว มันก็เลยเป็นอัตตาอัตตาก็เลยเป็นทุกข์เถืออนใดเป็นทุกข์อันนั้นถ้าไม่ถือปล่อยตามเรื่องมันก็เป็นสภาพตาเป็นจริงของมันที่ว่าสิ่งทั้งหลายเหล่านี้แหละเป็นจริงอยู่แล้วทุกประการเป็นสภาพอย่างนั้น ตลอดกาลเวลาแต่เรานั้นไม่เห็นตามเป็นจริงจึงมาจึงมาพิจารณาจึงมาทำความสงบให้เห็นเหล่านั้นของเหล่านั้นเป็นตามเป็นจริงความสงบไม่มีมันปุ้งสรงสายออกไป ภายนอกไม่เห็นเฉพาะภายในตัวของเราส่งสายไปเห็นของเที่ยงเห็นของไม่เที่ยงอาเป็นของเที่ยงอะไรอะไรทั้งหมดอยากจะให้เที่ยงทุกสิ่งทุกอย่างรูปร่างอัตภาพของตนก็อยากจะให้เที่ยงอยู่อย่างนั้นน่อไป แม้สมบัติภายนอกนอกจากตัวของเราเ็าอยากจะให้เที่ยงอยู่อย่า ง, ลลางานั้นไปนี่เลมันมันยังกลบคองไม่เที่ยงความอยากให้เที่ยงคนระับกลบคองไม่เที่ยงแต่มันก็ไม่เปลี่ยนไปต่างนะมันก็เลยทุกข์คิดว่าจะให้มันเที่ยงมันเลยเป็นทุกข์ ทุกใหญ่เขาเก่เาผู้เห็นของไปเที่ยงแล้วปล่อยตามเรื่องทุกอย่างนั่นก็เห็นตามเรื่องตามสภาพนั่นกืออ น, นัตตาก็เลยเกิดขึ้นมีขึ้นมาในตัวของเรามีเพราะอะไรเพราะยึดของเราไปยึดอย่างเดียวไม่ใช่อื่นไกล จึงมาตั้งใจกำหนดจิตอันตัวนี้แหละให้มาอยู่พงที่นะอยู่พงที่แล้วจะเห็นสิ่งทั้งหลานั้นครูบบอาจารย์อธิบายฟังก็ดีหรือตำหรับตำรายก็ดีหรือได้ฟังมามากมายก็ดีถ้าไม่ได้เห็นโดยใจองตอนแล้ว ก็จะไม่รู้สึกตัวขึ้นมาได้เพราะเห็นปลากรขึ้นมาความสงบอยู่องที่ปลากฏขึ้นมาแล้วโอ้โหมันพูดนักหนาว่านี่จังทุกขังหน้าตามันอยู่นี่เองอยู่ใกล้ๆนี่เองไม่ใช่อยู่ที่ไหนหรอกอยู่ตรงนี้เอง เกิดความรู้ขึ้นมาเฉพาะส่วนตัวก็ไม่ใช่รู้อื่นไกลเลยรู้ของอันนี้แหละพูดกับพูดของอันนี้แหละรู้กบรู้ของอันนี้แหละโบราณแต่ ก, ก่อนสองกรรมาฐานกันราธนาปิติหายุคระทั้งหกคอยเข้ามาสิงสถิตอยู่ในกายของเราอย่างนั้นอย่างนี้ ราธนาโนนปีติหยกยคะหกก็จะอยู่ไหนในเวลาเกิดแล้วมันปีติคือเกิดขึ้นในตัวของเราเราเห็นเรารู้เราชัดขึ้นมาในตัวของเราก็เกิดปีติขึ้นในตัวของเรานี่ยยคะหกก็คือความอ่อนความให้สมควร แก่การแข่งานสมควรอ่อนนอบควรแก่การแข่งานไอ้กายที่มันอ่อนนอบไอ้กายที่มันปีติเนี่ยเกิดนะขึ้นมานล้วแค่ว่ากายนั้นอ่อนกายนั้นสมควรกายนั้นควรแก่การแข่งาน อย่างเงี้ยอยุขละหเป็นที่นี่แหละไม่ได้เป็นที่อื่นใครานที่เกิดขึ้นออนักอ่อนโยนแล้วก็ควรแกการงานนั่นนี้จิตก็ควรแกสมาธิภาวนาควรแกการแ้งานวัดเมื่อทําสมาธิให้แนวตั้งจิตกำหนดสติให้กำหนดไว้ที่ใจให้แนวแล้ว เห็นจิตตั้งหลักให้มั่นจับหลักให้ได้คือสมาธิได้แค่จิตจับหลักจิตนั่นให้ได้ครั้นี้จิตนั่นอ่ะมันจะส่งสายด้วยประการต่างๆแล้วก็เอาเนี่ยนิจจังทุกครั้งหน้าตานี้นะวาดฟันลงไป สิ่งเหล่านั่นก็จะสงบแล้วนับเข้ามายเข้ามาตั้งอยู่ที่ใจอห่งเดียวนเนียกว่ามีอาวุธครบในตัวของเราจะยืนนั่งนอนก็อย่างเดียวกันยิ่ยาบทได้ก็อย่างเดียวกันเนียกว่าเห็นตามเป็นจริงทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนกันหมด ของที่มันมีอยู่ทั่วไปในโลกอันนี้น่นเอานี้แหละฟาดฝันจิต้ไปส่งสายไปของทั้งหลายในโลกอันนี้เอาจิตตัวนี้แหละไปเอาอันสติอันนี้แหละควบคุมจิตแล้วเอานี้แหละฟาดฝันกันนีจังทุกขรังหน้าตาก็จะหายไปก็สงบลงไปจิตก็จะตั้งมั่นเขา เมื่อ ท, ทําทีแรกยังไม่ทันจะชำนิชานานฮัดสมาธิแห ก, กลาศพิจารณากันนานเขา่าโดยไม่ตั้งใจจะให้มันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาแต่หากมันเป็นอีก พิจารณาอยู่อย่างนี้โดยอนุโลมก่อนเบื้องต้นอนุโลมให้เป็นอนิจจังทุกครั้งนับตาแต่เมื่อชำ น, นานแล้วคือทาสติให้แน่วแน่ตรงใ น, นที่เดียวแล้วจิตใจเป็นสมาธิแน่วแน่แล้วมันจะเกิดเองเป็นเอง อันนี้จังทุกขังน้าตาไม่ต้องพูดพวิธีฝึกหัดกรว่าถามก็เพียงแค่นไมน่ไม่อืดเกลยอะไรหัดสติให้แน่วแน่ทำสรรมาธิให้มั่นคงคือสติแน่วแน่กับสมาธิมันก็มั่นคง สมาธคุ้มจิตอยู่แน่วแนสมาธิก็นั่นแหละคือมันคงไปแล้วก็เกิดอุบายปัญญาคือหัดคือให้เกิดปัญญาอุบายวิปัสนาเกิดขึ้นมาอ น, นิจจังทุกังทะตาลงสภาวะทุกสิ่งทุกอย่างแหละลาบเรียบมด ไม่มีอะไรเหลือหรอมนุษย์เทวบุตรเทวดาอินพรมเหมือนกันทั้งนั้นคนมีคนจนเหมือนกันทั้งนั้นไม่มีแตกต่างเลยเนั่นเรียกวิปัสสนาเราควรที่จะบำเพ็ญโดยประการอย่างนี้